ซึ่งเราจะเห็นว่าในวิธีการสอนของพ่อเนี่ยทำทุกวิธีการที่ที่จะให้คนเข้าใจได้แต่ขอทบทวนเรื่องของอ น, นิสงส์ซะก่อนท่านพูดทุกครั้งที่ท่านจะท้าทายว่ามาปฏิบัติเท่านั้นเดือนมีเงินเดือนเท่าใดถ้าปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเนี่ยท่านก็จะให้เงินเดือนตามนั้น แต่ถ้าหากว่าเห็นรู้เข้าใจก็เอาเงินมาช่วยกันทำเพื่อการเผยแพร่ในวิธีนีนะ้อันนี้แทบวิดีโอหรือเทปแทบทุกม้วนนะท่านจะพูดถึงเรื่องทาทายซึ่งเราเราหาฟังไม่ได้จากพระอาจารย์กรรมฐานอื่นๆที่ยืนยันชัดเจนนะบางแห่งถึงกว่ายืนยันถึงกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติอย่างเงี้ย ตามวิธีการแบบนี้ไม่เข้าใจแล้วเอาท่านไปหล า, านท่านแจกว่าเอาท่านไปฆ่าก็ได้วงเง้นเถอะนี่เราจะเห็นว่านี่คือความชัดเจนที่เราหาฟังไปได้จากคราากูบาอาจารย์กรรมฐานอื่นนะแล้วก็ในเรื่องอานิสงส์เนี่ยนอกจากท่านท้าทายตรงนั้นแล้วท่านก็จะเรียบเรี่ยงถึงการทําบุญกุศลว่าทำบุญกุศลตั้งแต่พระ ธรรมดาขึ้นไปจนถึงพระอริยเจ้าถึงพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพุะปฏเจ้าสรุปแล้วเนี่ยยังไม่มีผลเท่ากับที่เรามาทำความรู้สึกตัวเพื่อลดราคาโทสะมุหะนะท่านจะลำดับขึ้นมาตามลาดับทาบุญกับพระสงฆ์พระปฏิบัติดีพระปฏิบัติชอบขึ้นมาพระโสดาสิีนาคาอาณาคารหันผู้ธเจาพระปฏิเจ้าซึ่ง เราก็หาฝวางได้ยากเหมือนกันนะเพราะการตลอดถึงการสร้าง <c oughs> โบสวิหารศาลาการประเรียนอะไรต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าสทําสิ่งเหล่านั้นไม่มีอ น, นิสงส์มีแต่การที่จะทําให้มารู้จักอ น, นิสงส์ที่จะมาทำให้รู้จักตัวเองแล้วลดละเลิกในสิ่งที่ตัวเองมีตั้งแต่สิ่งห ย, ยาบๆกลางละเอียดขึ้นไปเนี่ยอ น, นิสงส์ส่วนนี้มันไม่ได้นะแต่อนิสงส์ส่วนที่จะทําให้เกิด ความอยู่ดีมีสุขมีความสบายระดับหนึ่งแบบโลกโลกเนี่ย <c oughs> อ น, นุสงแบบนี้ก็ได้แต่อ น, น้สงที่จะให้มารู้จักตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ในส่วนนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่พ่ออุ่นว่างมาเมื่อคืนการท่านบทท่านเรียนมาก่อนแล้วม า, มาพบหลวงพ่อถึงตั้งแต่ต้นกูจะเข้าใจกูจะเข้าหาหลวงพ่อได้เท่าไรยี่สิบ็ดปี าาหาลวงพ่อแต่แบบสองร้อยถึงสองเจ็ดถึงก็มาหาหลวงพ่องั้นการบวชการเรียนการศึกษาปริยัตเยอะๆบางทีเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคเพราะอะไรเพราะมันความเชื่อมั่นในวิธีง่ายๆอย่างเนี้ยมันไม่ไมีเพราะตำราตำรับตำราคำพีเนี่ยสอนเราเรื่องอสลับซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องภาษาปริยัต เพรฉนการที่จะมานั่งทํายกมือยกไม้รู้สึกธรรมดาเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่พระอุ่นว่าเมื่อคนะืนไม่น่าจะเป็นไปได้บทเป็นทิศเป็นจานมาแล้วก็รับไม่ได้จนกระทั่งว่าเจ้หลวงพ่อท่านก็ไม่บีบไม่เช้นแต่ท่านก็พยายามทดสอบพูดให้คิดเรื่อยๆมาจนกระทั่งพ่ออุ่นเนี่ยได้ตัดสินใจนะช่วงแรกรู้รูปนามห้าวัน ปฏิบัติมาเรื่อยเรื่อ ย, อยจนหลวงพ่อมาราณภาพไปแล้วถึงเรามารู้ปรามัดเห็นไหมอันนี้คือเราได้เห็นตัวอย่า ง, ท, งทั้งที่เป็นพระและเป็นโยมได้ยืนยันในคําสอนหลวงพโยมก็มีไม่น้อยนั้นในอา น, นิสงส์ที่ท่านพูดถึงเมื่อคืนเนี่ยการทําความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันได้สัมผัสด้วยตัวเราเนื้อเนื้อแต่ความรู้สึกตัวนี่มีสองระดับหนึ่งความรู้สึกตัวระดับ ต้นที่เรียกว่าอารมณ์รูปนามคือรู้กายรู้ใจว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้เรื่องรูปเร็วนามรู้ว่าชีวิตของเรารู้อะไรมันก็เป็นของเราหมดจะแยกไม่ออกอซึ่งตัวเนี้ยทำให้เราทำให้เราต้องเป็นทุกข์แต่พอมาเข้าใจรูปนามแต่การที่จะเข้าใจรูปนามได้ก็ไม่ใช่ว่าจะศึกษาจดจำ เป็นไปไม่ได้เลยศึกษาจดจำเปรียบเทียบเรียบเคียงหรือฟังคำสอนของอาจารย์ถ้าไม่ลงมือทำด้วยตัวเองก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันจนกว่าจะมาลงมือทำความเพียรและสนุกสนุกในการทำความเพียรสนุกในการปาับรูความเพียรเดินจุกมสร้างจังหวะแบบนี้น ะ, ะแต่ว่าการนั่งสมาธิหลับตาอย่างที่ท่านยกมาเมื่อคืนน่ะ ว่าไม่ว่าพุโทโธน้อยสัมมระหังท่านบอกว่าได้ความสงบได้ความสบายแต่กุญแจมันยังล็อกอยู่ตัวอย่างที่สองมันยังล็อกอยู่มันเปิดไม่ได้จนกระทั่งตัวรู้สึกตัวที่มันเกิดจากการไม่ใช่ว่าการเคลื่อนไหวนี่นะแต่หมายความว่ามันจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งหมดแต่ตัวเคลื่อนไหวการสร้างจังหวะเดินจกมเนะ่เป็นตัวจุดประกอามามืกเก็บเปรียบเทียบให้เห็นเสมอว่า เหมือนกับเรากดไฟแชกหรือไม่ขีดจุดเทียนจุดตะเกียงหน้าที่ของสติก็คือนั่นไม่ขีดนั่นแหล ะ, ะหรือหัวเทียนหรือไฟแชกเนี่ยที่จุดขึ้นมาแต่พอมันติดตะเกียงหรือติดเทียนแล้วเนี่ยการที่มันเกิดแสงสว่างตลอดนั้นตัวนั้นหน้าที่ของสติสัมมชัญญาและปัญญารับช่วงต่อไป เพราะฉะนั้นหน้าที่ของสติเนี่ยเราต้องค่อยจุดเรื่อยๆมันดับแล้วก็จุดอีกมันลืมมันลืมแล้วก็รู้อีกมันหลงไปก็รู้อีกเนี่ยหน้าที่ของสติทำตรงนี้มันลืมไปหลงไปคิดไปก็รู้อีกเหมือนเรื่องเราจุดเทียนไขหรือจุดตะเกียงในท่ามกลางสายลมเนี่ยมันพัดดับแล้วก็จุดอีกมันพัดดับแล้วก็จุดอีกอยู่งั้นแหละจนกระทั่งว่ามันเกิดปัญญาว่าจะทาไงจุดแล้วมันไม่ดับเนี่ย ตรงเนี้ยขั้นที่สองมันเป็นปรามัดคือจุดติดแล้วมันไม่ดับแต่ตอนแรกก็จุดติดดับบ้างติดบ้างดับบ้างมันก็เป็นอารมณ์รูปนามเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นของแต่ละคนเนี่ยต้องขยันทําตรงนี้ก่อนรู้หลงรู้หล ง, ลงสลับกันไปเรื่อยๆจุดแล้วดับจุดแล้วดับจุดระดับจนกระทั่งว่ามันเกิดปัญญาถ้าทําไปบ่อยๆเนี่ยคนมันต้องเกิดปัญญาเหมือนเรานั่งจุดไฟเนี่ยจุดแล้วดับจุดแล้วดับ มันจะต้องคิดว่าจะทําไงจุดแล้วมันไม่ดับมันจะต้องเกิดปัญญาตรงนั้นแล้ววันหนึ่งมันหาวิธีจุดแล้วมันเกิดไม่ดับขึ้นมาตรงนี้แหละตัวปรามัดเริ่มเกิดคือหมายถึงว่าปรามัดเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงก็มีหลายระดับอจุดติดแล้วดับดับแล้วหรือติดเหมือนกันทีนี้ติดแล้วบางทีติดนานหน่อยอ้ามันดับไปอีกก็จุดใหม่ติทีนี้พอเบื้องกลางก็จุดติดแล้วนานจุดติดได้นานแล้วก็ดับไป แล้วก็จุดใหม่อยู่อย่างนี้ดังนั้นทางเส้นทางของอารมณ์ที่หลวงพ่อได้ว่าไว้ในชัดเจนซึ่งลําดับเห็นได้นะแต่การที่เราจะไปสัมผัสตรงนั้นได้เนี่ยศรัท ธ, ธาและความเพียรเป็นฐานที่สําคัญถ้าหากว่าศรัท ธ, ธาไม่เพียงพอความตั้งใจความจริงใจความเอาใจใส่ไม่ไม่เข้มแข็งเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ทีเดียว เขาว่าศรัทธาในทิฏฐิศรัทธาในการทําแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ศรัทธาเข้ามาบวชศรัทธาเข้ามาสร้างมาสร้างวัดว่าอะไรไม่ใช่ศรัทธาแบบนั้นแต่ศรัทธาที่จะทําแบบเนี้หมายถึงศรัทธาของการกระทาเรียกวกรรมะศรัทธาศรัทธาในการทํากรรมะวิปาคศรัทธารู้ผลของการกระทําด้วยว่าทําแบบนี้มันมันรู้สึกอย่างไรยกแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงพอรู้ผลแห่งการกระทาปั๊บมันก็ รู้ว่าอ๋อความรู้สึกนี่มันมีมันมีอยู่ในตัว ท, ทํำทลไรมารู้สึกทุกทีรู้ว่าความรู้สึกที่ตัวเองสัมผัสได้เนี่ยเป็นกรรมสกตาสาตัทธาจะทําไปเรื่อยๆเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงเห็นจิตมันเกิดมันดับเห็นจิตมันอยู่มันนิ่งได้มันคิดก็มีไม่คิดก็มีเห็นชัดตรงนี้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจได้เนี่ยพระรลตถากตะโพธิสัทธาต้องสัทธานี้เนี่ยดังนั้น ในตัวอย่างเมื่อคืนเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของความรู้สึกตัวนั้นมีค่ายิ่งกว่าให้ทานระดับใ ด, ดเรียกว่าปฏิบัติบูชา <c oughs> ตัวอย่างที่สองตอนที่เราได้เห็นการสอบอารมณ์ของอุบาสิกาชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเอามาดูหลายครั้งแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะหลวงพ่อพูดไปเนี่ยเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าบางช่วงไม่มีการแปลตรงนี้ท่านมีเจตนาอะไรบางอย่างมาจะ จะใช้ภาษาใจนั่นแหละให้ให้คนเข้าใจถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่ดูให้ดีเอ๊ะหลวงพ่อพูดไปตั้งยาวพาวุนไปตั้งหลายรอบแต่ว่าคนแปลอาจารย์ดรทวีวัตรที่เดินตามก็ไม่ได้แปลเลยก็มาแปลเป็นบางช่วงแปลเลงี้น้อยซึ่งตรงนี้ท่านต้องการให้ให้ตัวอย่างมากกว่าคำสอนทำให้ดูว่าคนเข้าไปในความคิดเนี่ยติดความคิดเหมือนกับเดินวนอยู่ในห้องเลยนะ ไม่รู้ประตูออกตรงไหนเราทุกวันก็เป็นอย่างนั้นแสวงหาวิธีนั้นวิธีนี้แสวงหาที่พึ่งแสวงหาทางออกโดยการที่เราเข้าไปในความคิดเนี่ยเราจะต้องหลงเข้าไปในความโลภความโกรธความหลงเพียงแต่เราเข้าไปในความคิดอย่างเดียวอะหลงเข้าไปในความโลภแล้วก็หลงมีลูกมีผัวมีเมียมีทรัพย์มีศินมีบ้านมีช่องมีอะไรมากมาย เพราะเราหลงไปในความคิดอย่างเดียวแต่เราหลงเข้าไปในความโลภตลอดชีวิตของเราเลยขังตัวเองอยู่ในคุกนั้นออกไม่ได้หลงไปในความโกรธนะเมื่อใครพูดอะไรเกิดความปฏิฆะหงุดหงิดไม่พอใจก็หลงเข้าไปในความโกรธก็ความรู้สึกก็ขุนเคืองเศร้าหมองความรู้สึกอ่าพยาบาทเคียดแค้นยู่อย่างนั้นอะ่ะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็หลงเข้าไปในความโกรธอีกออกไม่ได้ หลงเข้าไปในความหลงก็ติดสนุกสนานเพลิดเพลินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็พเพลินอยู่งั้นนะออกไม่ได้ทีพอนานเข้านานเข้ามนุษย์แต่มันมีจิตวิญญาณมันมีสติปัญญาบางคนต้องการจะออกจากความรู้สึกแบบเนี้ยทำยางไรก็เริ่มสแสวงหาหาทางออกอแล้วก็สแสวงหาครูบาอาจารย์สแสวงหาคำสอนไปหาอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ ว, นนวิธีนั้นวิธีนี้หาก็ดิลก็ด บางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจ อ, อรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะในเมืองไทยก็เสน อ, อทางออกให้บางคนก็พบแต่ในวิธีการต่างๆที่กระผมและธรมะได้ได้ไประสบการณ์มาก็ทดลองมาแทบรั้งนั้นแต่ปันหาทางออกแบบนี้ไม่ได้แต่ทางออกแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นก็เป็นไปไม่ได้อีก บางคนศรัทธาขึ้นกลางๆทำบ้างไม่ทำบ้างทำด้วยความสงสัยบ้างทำแล้วรู้สึกมันไม่เข้าท่าก็เปลี่ยนไปวิธีอื่นบ้างเนี่ยศรัทธาตัวเนี้ก็ <c oughs> สั่นครอน <c oughs> โดยเฉพาะในวิธีการของพุเทเถียนก็ยิ่งสั่นคลอนได้ง่ายเพราะอะไรเพราะมันไม่เหมือนกับรูปแบบทั่วไปไม่ได้นั่งตัวตรงไม่ได้ลมลมสติไม่ได้กําหนดลมหายใจไม่บริกรรมเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ใช่กรรมาฐานเลยอะ่ะแต่พอมาจับวิธีการอันนี้เนี่ย รู้สึกว่ามันมันสัมผัสได้แต่ทั้งหมดต้องสัมพันธ์กัน <c oughs> ระหว่างความเชื่อมั่นศรัทธาความตั้งใจทำความต่อเนื่องของสติสมรญะคือในเรื่องของอีซีทั้งห้าเนี่ยต้องสัมพันธ์กันสมดุลกันมันถึงจะเป็นไปได้ส่วนให่มีศรัทธาและความเพียรในเบื้องต้นพอสติสมธิปัญญามันไม่เกิดก็เลิกละไปไปหาวิธีใหม่อีกอยุอย่างนี้แหละ ต่หลายคนที่เกิดสติสมถทิปัญญาเข้มแข็งแล้วสามารถมั่นใจได้ว่าออทางนี้แหละแล้วก็ทำความเพียรไม่ถอยจะเป็นเป็นพระก็ตามจะเป็นโยมก็ตามดังนั้นในวิธีการเนี้ยความเป็นพระเป็นโยมไม่ได้ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นของคนทุกคนอ่อมาพาชาวต่างประเทศทาหลายๆที่เนี่ยพอเขารู้สึกตัวเขาสัมผัสได้เขาก็ทาต่อได้เลย โดยที่ไม่ได้ถามว่าจะรักษาศีลไหมจะบวชไหมจะให้ทานเท่าไหร่เนี่ยไม่มีเลยทําเรื่องนี้ทําความเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เลยอย่างนี้ก็มีนะซึ่งมันต่างจากความเชื่อเก่าๆที่ว่าเออคุณจะสัมผัสตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะสร้างบุญบา ร, รมีบําเพ็ญบารมีมาเท่านั้นเท่านี้จะสร้างบุญมาเท่านั้นเท่านี้ซึ่งชาวพุทธไทยส่วนใหญ่ก็จึงไปเสียเวลาตรงนั้นมาไปสร้างบุญบา ร, รมีน่ะก็เลย พอเราคิดว่าเราจะสร้างบุญบารมีมันก็ทําไม่จริงดิทําไปมันทุกหน่อยมันก็เลิกทําไปทุกหน่อยไม่สบายมันก็เลิกเราทําไปหน่อยก็คิดความคิดมันขึ้นมาแย้งเอ๊ะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ทําพอดีไม่ให้สุด ต, ตรงเอ๊ะเราทําได้มันสุด ต, ตรงไปหรือเปล่าเนี่ยความคิดเหล่านี้มันจะมาหลอกแล้วก็เลิกไปน่ะเพราะฉะนั้นหลายเหตุหลายผลที่มันจะเป็นอุบารรคต่อวิธีการนั้นนี่ดังนั้นเมื่อท่านพาอุบายิกาชาว สิงค โ, โปร์เดินรอบคลําไปเรื่อยๆบางทีไปเจอประตูเจอวิธีทางออกแล้วนะด้วยความไม่ชัดเจนไม่ตั้งใจก็ผ่านประตูไปอีกหลายคนผ่านเข้ามาในวิธีการขอวงพ่อเทียนแล้วเนี่ยก็เลิกละเลิกล้มไปทิ้งไปเจอประตูแล้วล่ะแต่เนื่องจากการขาดความแยบคายขาดความละเอียดขาดความตั้งใจก็เลยผ่านเลยไปในวิธีอื่นตอนหลังมาอีกก็มีนะหลายคนกลับมาอีกหลังจาก้วิธีการขอวงพ่อเทียนไม่ได้ เกิดอะไรไม่สงบออกไปหาวิธีอื่นพอไปผ่านวิธีอื่นมาแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องกลับมาวิธีการหลวงพ่อเด่นบางทีกลับมารอบสองได้เรื่องก็มีตามที่จะมาได้ได้เคยพบเห็นดังนั้นพุทธศาสนาโดยวิธีการอนีนน้มันเป็นการสัมผัสซื่อๆตรงๆชัดๆอามานึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆท่านรู้ถึงความเป็นธรรมดาปกติอันนี้เนี่ยซึ่ง จะนำไปสอนท่านถึงกับท้อว่าใครจะมารู้เรื่องนี้ใครจะมาเอาเรื่องนี้เพราะมันเรื่องที่มีอยู่แล้วทุกคนใครก็รู้แต่ว่าเขาไม่สนใจท่านถึงกับท้อนะที่จะไม่สอนตามประวัติบอกว่ามีท้าวสามบดีพรมใช่ไหมมาร拉ธนาบอกโอ้ท่านจะไปคิดแบบนั้นนะคนที่จะรู้เรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้มันมีอยู่นะท่านจะสัตตับรศกาชาติกาเทเสดุธรรมังอนุกรรมปิมังบระกาศ ผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ขอพระองค์จงเอื้ออินดูบุคคลเหล่านี้เถิดแล้วก็อรรถนาธรรมที่เราพูดทุกครั้งเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหากว่าคําว่าเท้าสหัมบดีพรมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปุคราที่ฐานหรือเปล่หรือเป็นธรรมอาทิฐานถ้าเป็นธรรมอาทิฐานก็คือ ท่านเกิดเมตตาขึ้นมาในใจอ๋อบางคนอาจจะฟังรู้เรื่องก็ได้ลองสอนดูท่านอาจจะเกิดคิดแบบนี้ก็ได้ไอ้การลักษณะที่ท่านเพราะพุทธองค์ท่านดำริแบบนี้ขึ้นมาท่านสมมุติว่าเป็นปุคลานิฐานว่าเท้าสหัมบดีพรมแต่ถ้าหากว่าเป็นปุคลานิฐานก็อาจจะมีใครพระองค์อาจจะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังสักคนหนึ่งแต่เกิดบุคคลเรื่องบุนคคลคนนั้นที่ฟังแล้วมีคุณธรรมสูงเลยบอกท่านว่องค์บางทีอาจจะมีคนเข้าใจนะท่านลองสอนไปสิ อาจจะพูดกพระอง์อย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นปุคลาที่ฐานเราฝังได้ทั้งสองแง่อาจจะพงดำหลีขึ้นมาเองก็ได้อาจจะพบคนมางคนที่เขามีปฏิบัติ ท, ทําอยู่แล้วก็อาจจะให้คติว่าอาจจะมีคนรู้อยู่เพราะฉะนั้นในส่วนสาวสามบทีพรมอาจจะมองในแง่ธรรมะที่ฐานก็ได้ปุคลาที่ฐานก็ได้คือมองในแง่บุคคลก็ได้มองในสภาวะที่พระองค์เกิดเมตตาเองก็ได้นะีอันนี้เมื่อ พระองค์ได้ได้นำบาศิกาโน้นวนไปวนมาขึ้นมาพอไปเจอตรงนั้นเกิดความรู้สึกชัดเจนขึ้นมาแล้วผลักแรงๆเขาผลักเอาไปประตูเปิดโอ้ท่านกลับเข้าไปดูมันเป็นสุ บ, บัติของคนพานท่านว่าคือสุ บ, บัติของคนโง่ท่นว่าคือหมายความว่าการที่เราแต่เ น, นี่ย จ, จะใช้คําพูดแรงไว้นะแต่การที่เราหลงเข้าไปในความคิดเนี่ยขนาดนั้นะเราขาดสติขาดาเป็นอวิชาวิชาแปลว่าโง่เนี่ยก็เข้าไป ถ้าหลงเข้าไปนานก็โง่นานหน่อยถ้าหลงเข้าไปน้อยก็โง่น้อยหน่อยถ้าหลงก็แป บ, บเดียวออกมาก็โง่ น, นิดเดียวเงี้ยมันเป็นสมบัติของคนทุกคนที่เป็นอย่างนั้นมาก่อนนะเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างตัวสติสมรญะญขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะไปดักทางตรงนั้นมันสร้างสังขารหรือสร้างความคิดมาปับ๊บรู้ออกมาทันทีหน้าที่ของเราในในการปฏิบัติมีแค่นี้เนะี่ย ให้รู้ตัวแล้วก็เมื่อจิตของเราหลงเข้าไปในความคิดปั๊บให้ออกมาให้ได้แต่อย่างที่ได้กล่าวไปวันก่อนว่าความคิดมีอยู่สามประเภทความคิดที่มันเป็นธรรมารมที่มันมีกระทบมาแล้วมันก็ผ่านไปตาเห็นคิดนิดหนึ่งแล้วก็ผ่านไปหูได้ยินคิดนิดหนึ่งแล้วก็ผ่านไปไม่เป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้เขาเรียกว่าความคิดที่เป็นธรรมารมความคิดชนิดนี้เรียกว่าเป็นหน้าที่ของอายตนะที่เขาทําหน้าที่ของเขาไม่ใช่ความคิด ไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะแต่ถ้าความคิดตรงเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าไม่มีสติเข้าไปตามรู้ตามดูเนี่ยมันก็จะสร้างเป็นความคิดในเรื่องเป็นราวต่อเพราะนั้นความคิดที่เป็นธรรมารมเนี่ยเป็นพื้นฐานของจิตเป็นหน้าที่ของจิตเป็นหน้าที่ของอายตนะที่รับรู้แล้วก็คิดรับรู้แล้วคิดต่อคนที่ไม่ได้ ไม่ได้เจริญสติก็เรียกว่าคิดต่อได้ยาวผลกระทบเราคิดต่อแต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องบางเรื่องกระทบเฉยๆมันก็ผ่านไปก็มีแม้ปุถุชนก็ตามรู้แล้วก็ผ่านไปนะแต่ว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยเรื่องบางเรื่องเช่นใครมาด่ามาว่าเราในส่วนที่เราไม่ถูกใจเนี่ยก็จะคิดไปแต่ถ้าสําหรับคนที่ปฏิบัติแล้วพอใครมากระทบในแง่ของ กุศลก็ตามไมกุศลก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามเนี่ยมันรู้ตัวก่อนอ๋อตอนนี้ถูกกระทบส่วนจะคิดมากคิดน้อยปรุงแต่งมากปรุงแต่งน้อยขึ้นอยู่อํานาจของปัญญาของคนคนนั้นว่าคนคนนั้นได้ฝึกฝนได้ปฏิบัติมามากน้อยแค่ไหนแต่คนนี้เพิ่งเริ่มต้นก็ไม่ทันเหมือนกันปรุงแต่งไปยาวนะ <c oughs> คนที่เพิ่งเริ่มต้นก็ปรุงแต่งยาวควาจะรู้ตัวก็คิดไปหลายนาทีหลายชั่วโมงแล้ว นะแต่ถ้าหาว่าเป็นผู้ทูชนคนธรรมดาไม่ได้ฝึกฝนไม่ต้องพูดถึงนะมันพัฒนาไปเรื่อยๆของมันแหละที่ดังนั้นเองในการออกมาจากห้องได้คือออกมาจากความคิดออกมาจากความคิดได้การออกมาจากความคิดได้คือออกมาจากความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะปรากฏได้มันก็ต้องมีความคิดเป็นตัวนําถ้าไม่มีความคิดตัวนําโลภโกรธหลงมันเกิดไม่ไดไ้การที่เราออกมาจากความคิดได้ก็ อ, ออกมาจากโลภโกรธหลงได้เนี่ยเนี่ยหลักมันตรงนี้ มันมันมันสัมผัสได้แล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ซับซ้อนได้เลยนะแต่การมาอยู่กับตัวปกติเนี่ยตัวที่มันใจไม่ปรุงแต่งไปเนี่ยเราเรียกว่าตัวรู้สึกซื่อๆเป็นสติสมาธิปัญญาตรงนี้สาคัญบางทีเรากลับมาอยู่ความรู้สึกตัวซื่อๆได้นะแต่ปัญญาเราไม่พอที่จะเห็นชัดเราก็ลืมมันอีกลืมลืมตัวรู้สึกซื่อเข้าไปในความคิดอีกเพราะนั้นความคิดประเภทที่สองเรียกว่าสติ สัมพชัญญาเช่นว่าเราจะต้องจำเป็นจะต้องทำการทำงานทำโน่นทำ น, น, ทำนี่ตามหน้าที่ตลอดวันเนี่ยมันต้องใช้ตัวความคิดในความคิดที่เราใช้เนี่ยใช้การในในการในงานที่สัมพันธ์กับกายวาจาอ่าสัมพันธ์กันในความเป็นจริงเนี่ยการเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นเราไม่เรียกว่าความคิดแต่เรียกว่าปัญญาซึ่งต้องใช้ใช้เยอะด้วยใช้สติใช้ปัญญาในการทางานจะทาตรงนั้นให้มันถูก เวลาจะพูดอย่างเงี้ยใช้สติปัญญาเวลาจะทำให้มันถูกใช้สติปัญญาแต่ถ้ า, าสติปัญญาเป็นสติปัญญาที่เป็นมิจฉามันผิดอะ่ะมันก็ทำพูดคิดไปทาผิดทามันถูกก็พูดคิดไปทางถูกตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญญาถ้าหากว่ามันเป็นมิจฉามันก็เกิดตัวที่สามความคิดตัวที่สามเรียกว่าสังขารเนี่ย เรียว่าสังขารคือการปรุงแต่งตัวนี้เป็นสมูทไทยนะเป็นความคิดที่เราเข้าไปแล้วเข้าไปในความคิดประเภทนั้นดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อเดี๋ยวความคิดนั้นมาเดี๋ยวความคิดนี้ไป<ม>เฝ้าดูอยู่ตรงนี้<ม>เฝ้าดูความรู้สึกตัวชัดๆทาความรู้สึกตัวชัดๆไว้ อย่าไปสนใจความคิดไม่ว่ามันจะเป็นธรรมอารมณ์หรือเป็นสติแต่สติสัมยาชต้องใช้เวลาจะเดินไปตรงนั้นเวลาจะหยิบตรงนี้เวลาจะจัดการตรงนั้นต้องใช้สติสัมยาอันนี้เป็นความคิดประเภทหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นสมูทัยให้เกิดทุกข์หรือบางทีเมื่อาวานเนี่ยกันนั่งปฏิบัติกันอยู่ดีๆใช่ไหมมีงูตัวเล็กๆตัวนี้โผล่ไปเนี่ยแตกกันทั้งวงเลยถามว่าได้สติไหมทําสติอยู่แต่ไม่ได้สติอ่ะเพราะอะไรเพราะ มีตัวรู้สึกที่มันยังไม่เป็นสัมมาสติสัมมาสติก็คือเวลาอะไรเกิดขึ้นก็รู้เห็นเฉยๆนะมันก็ไม่เป็นอันตรายอะไรแต่โดยสัญชาตญาณของเรามันยังสูงอยู่พองูโผล่มาปั๊บนิดไอ้ตัวสัญชาตญาณมันเข้าก่อนตัวสติมันก็เลยเกิดภาวะความกลัวเข้าไปในความคิดกระโดดเข้าไปในความคิดอย่างรวดเร็วเรืองขโมหะกระโดดเข้าไปในโมหะเลย ไปคิดว่าสิ่งที่เห็นนั่นเป็นงูนะแต่โดยสัญชาตญาณมันต้องระวังตัวเองงูเนี่ยมันต้องกัดคนตายอ่าแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้เข้ามากัดเราก็มันเลื้อยไปเฉยๆมันก็ไม่ได้ทําเกิดอันตรายอะไรแต่สติตรงนี้มันไม่ทันยังไงกระจายกันทั้งวงนะจนกวดจะมาเข้าไปจัดการเพืได้สงบลงเนี่ยตรงนี้ในชีวิตประจำวันมีมากมายหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราหลงเข้าไปในความคิดแล้วจะทําอย่างไรให้มันทันะ มีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องมาสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยบ่อยๆเยอะๆมากๆเลยเพื่อให้เกิดความเคยชินคุ้นเคยเปลี่ยนความเคยชินเสื่อใหม่เมื่อก่อนเราเคยชินแบบกระทบราคิดกระทบราคิดกระทบราคิดเนี่ยเป็นความเคยชินที่เรียกว่าสันชัดยานและสัญชัดยานนี้มันก็จะพกเอาวิชาตันหาประทานกรรมไว้ในตัวมันหมดมันต้องทำหน้าที่ของมันทุกคนมีมีความรู้สึกตัวแบบนั้นรู้สึกตัวในการ อะไรล่ะหูหาหานรู้สึกตัวในการาสร้างบ้านที่อยู่อาศัยรู้สึกตัวในการหนีภัยรู้สึกตัวในการที่จะสืบพันสืบทอดอันนี้เป็นสัญญาณเสมอกันหมดทั้งคนและสัตว์แต่ว่าถ้าเราอยู่ในความรู้ระดับนี้เนี่ยท่านบอกว่ามันยังทุกข์อยู่เพราะเรายังหลงเข้ามาในความคิดเราก็จึงมาพัฒนาตัวสัญตัวปัญญายางแทนสัญชตาตญาณ ตัวปัญญาญาณ น, นี่ก็คือตัวมาสร้างความรู้สึกตัวนี่แหละและความรู้สึกตัวนี่เราไปสร้างกับกรรมาฐานต่างๆเนี่ยเป็นแบบนี้ไปเป็นแต่ว่ามันช้ามากมันช้ากำลังมันไม่พอแต่มาสร้างความรู้สึกตัวแบบนี้มันไวเพราะอะไรเพราะกาลังมันพอเพราะเราไม่ได้กาหนดเพียงแต่ลมหายใจลมหายใจก็ตั้งแต่หัวจวเท้ารู้หมดนะ มันจะเคลื่อนตรงไหนมันจะไหวตรงไหนที่อุบายศกคนหนึ่งถามพระ อ, อุ่นเมื่อวานว่า เ, เราจะอรู้สึกตัวได้ตลอดเวลาไหมรู้สึกตัวตอนไหนเนี่ยถามแต่ความจริงแล้วถ้ามันรู้สึกตัวที่เป็นปรละมัดแล้วมันไม่ได้ทำความรู้สึกตัวเนี้ไม่ได้ทาทีละขณะแต่ในช่วงที่เราอยู่ในอารมณ์รูปนามเนี่ยต้องค่อยกระ ต, ตุ้นเตือนให้สติกับมารู้สึกกับตัวที่มันมีอยู่แล้วนี่แหละเขาเรารู้สึกตัวอ่า คือมากระตุ้นจิตหรือสติเนี่ยให้กลับมารู้สึกในส่วนที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่พอสติสัมรัญยามันเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งจิตเปลี่ยนเป็นปรมัดมันไม่ต้องกระตุ้นแล้วทีเนี้ยมันติดเองเหมือนกับไฟที่ว่าจุดแล้วมันก็ติดมันไม่ต้องไปจุดอีกแล้วเพราะมันติดแล้วแต่ในช่วงแรกที่มันติดติดดำๆนี่ต้องคอยจุดมันเรื่อยความรู้สึกตัวนี่เหมือนกัน ถ้ามันยังไม่เป็นอัตโนมัติหรือไม่เป็นปรามัดเน่ยต้องคอยกระตุ้นต้องคอยกำหนดต้องทําเรื่อยๆมันจะมากขนาดไหนก็ต้องทําเพราะมันไม่มีทางอื่นเลยในพุทธิยถาท่านตรัสว่าไม่มีทางอื่นเลยนอกจากทางนี้นอกจากจากสติสมัมปชัญญะสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่ร่วมทํางานร่วมกันดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงท่านก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ภาษาหพ่อภาษาสมมุติของท่านก็เรียกว่าในภาษาพื้นบ้านเนี่ย ท่านก็เลยใช้ตัวอย่างทุกอย่า ง, ม า, า ง, ง, งมาตัวอย่างที่สองไปไงพอมาแต่อย่างที่สองไปสอบวิลงดูว่าคุณสุพลนะมีสุพลเป็นคุณสุวณเมื่อก่อนเคยเป็นคลิปมาก่อ น, ลอนหลังจากมาฝึกมาฝนปฏิบัติกับหลวงพ่อแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาศึกษาปฏิบัติแบบนี้แล้วในช่วงแรกท่านจะพยายามให้อธิบายให้เห็นว่าการที่เราไปนั่งสงบหรือทาจิตให้มันสงบเนี่ย เป็นการล็อกตัวเองอยู่ในความสงบเหมือนกุญแจเนี่ยเหมือนกุญแจถ้าเรานั่งได้แล้วโดยเฉพาะชาวพุทธของเราของไทยเราเก้าสิบปอร์เซนตติดความสงบพอนั่งปับ๊บก็หลับตาแม้แต่นั่งสั่งจังวะนี่ก็หลับตานะส่วนใหญ่ด้วยก็หลับตามันมันติดมาตั้งแต่ไม่ใช่ว่าสมัยเราปนะู่ย่าตายายเราที่ทําสมสาธ ม, มามาถึงเราแล้วก็อยากจะสงบเพราะความสงบจะจิต ใ, ใ, ใจเนี่ยมันเป็นความสุขสูงสุด ข, ของ โลกิยวิสัยถึงขั้นพรมเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ใช่เรื่องแปลกอะตมาก็เป็นทุกคนก็เป็นคือนั่งแล้วได้หลับตาแล้วสุขสงบนิ่งอยู่อยู่ในความสงบนั้นมีความสุขทุกคนเป็นทีนี้เราจะออกมาจากตัวนี้ได้อย่างไรเนี่ยคือปัญหาและบริษัทเนื่องจากว่าตัวสงบนั้นไม่เป็นสมถาะาหรือเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิมันทําให้เกิดตัวสงบแบบไม่รู้ทีนี้ผลวพอมาประกาศตัวสงบแบบรู้ แค่ไม่ได้ปฏิเสธความสงบนะแต่ว่าสงบอย่างไรให้รู้ว่าความสงบมันเกิดขึ้นอย่างไรมันดับอย่างไรเพราะความสงบเองก็ไม่เที่ยงใช่ไหมนี่เป็นอนิจจังทุกขังนาฏตาอยู่แต่นี้จะทํำยังไงให้มันอมันไม่เป็นไปตามอนิจจังทุกขังนาฏตาให้มันอยู่ก็ต้องทําบ่อยๆทําความสงบนี่บ่อยๆแต่ความสงบแบบรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นความสงบที่เป็นธรรมชาติมันเป็นวิปัสสนามันเป็นสมารถสติ เนี่ยมาเองกวรจะมาสัมผัสตรงนี้ได้ใช้เวลาเป็นหลายๆปีเนี่ยเพราะเราก็ติดเรื่องอแบบเก่าๆติดความส ง, งบติดตำราติดการเรียนการอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เป็นอุปสรรคแต่หลังจากมาเข้าใจแล้วโอ้ความส ง, งบสัมมาสติสัมมา ส, สมาธิต้องมาด้วยกันแต่ส่วนใหก่จะเน้นตัวถ้าไม่มีสัมมาสติและสมาธิสัมมาสมาธิมันเกิดไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่เราไปทําสมาธิเลยทั้งๆ ท, ที่มันไม่เกิดสมาสติเพราะฉะนั้นสมาธิที่ความสงบมั น, มนก็เป็นมิจฉาสมาธิสงบเท่าไร่เท่าไหร่มันก็ออกจากห้องไม่ได้เขาเออารียกอรูภพอรูภพท่านก็เอากุญแจเนี่ยมามาเปิดให้ดูเพราะฉะนั้นตัวรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนลูกกุญแจพอใส่เข้าไปหมุนปั๊บเนี่ยมันก็เด้งป๊อกออกมาก็เปิดได้ท่านแทบทุกครั้งที่มีการสั่งลงถ้าจะพูดถึงจุดเนี่ยเรื่องของการไขกุญแจนะทีนี้ต่อมา ท่านต้องการให้คุณสุพลเห็นว่าเมื่อเราเข้าไปในความคิดเนี่ยเราจะออกจากความคิดเนี่ ย, ยด้วยด้วยอํานาจของอุปทานท่านเหมือนกับว่าตัวความคิดเข้ามามันเหมือนมีสองอย่างหนึ่งความคิดที่เป็นสติปัญญามันจะไม่ติดกันพอกระทบ ป, ปั๊บมันจะหลุดสองความคิดที่เป็นอวิชชาตันหาอุปทานกรรมเหมือนกับดินเหนียวแต่ความคิดที่เป็นสติปัญญาเนี่ยเหมือนกับหินหรือดินแห้ง พอโยน์ใส่บอกว่ากําแพงมันก็แข็งดินมันก็แข็งพอกระทบกันมันก็ไม่ติดหมายความว่าตัวโลคโก๋หลงมันก็เป็นภาวะที่แข็งเหมือนกันของชีวิตเรามาแล้วสติปัญญาที่เราฝึกอยู่คนนี้ก็แข็งเหมือนกันพอกระทบกันปั๊บเนี่ยมันก็ตกนั่นหมายความว่าเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระทบปั๊บเนี่ยเราไม่ติดเข้าไปเราไม่เข้าไปในความคิดความคิดมันก็หลุดออกไปนี่หมายความว่า เราจึงต้องมาสร้างสติสมถทิปัญญาให้เข้มแข็งเพื่อไปอะไรเมื่อไปกระทบกับสิ่งที่เป็นความโรคโกรธโง่งแล้วมันไม่เข้าไปมันหลุดนะตรงนี้มันหลุดคือความคิดมันหลุดออกไปโดยที่ไม่เกาะในใจของเราแต่ว่ามันจะดูเร็วหรือช้าก็ดูที่ว่าอํานาจของสติสมถทิปัญญาเนี่ยของเรานี่เข้มแข็งแค่ไหนแต่ในกรณีที่มันไม่เข้มแข็งเลยเนี่ยเหมือนกระดินมันนอ่อนๆพอโยนไปปอกมันกติ ขาผนังเลยท่านก็ควานห า, หาดินเหนียวเมื่อคืนตัวอย่างนะตัวอย่างที่หนึ่งะนะนถ้าจิตของเรายังอ่อนอยู่อ่อนคาว่าจิตอ่อนอ่อนด้วยสติอ่อนด้วยสมาธิอ่อนด้วยปัญญาสติสมาธิปัญญาไม่เข้มแข็งทาให้จิตอ่อนเมื่อจิตอ่อนแล้วมั่มากระทบปั๊บมันเข้าไปเลยคือตอบสนองเลยวิ่งเข้าไปเลยนี่นนหน้าที่ของเราคื อ, อไม่ต้องไปพังกำแพงทิ้ง หน้าที่ของเราคือมามาทําให้ตัวไอ้สิ่งที่กระทบเน่สติสัมรู้ปัญญาของเราที่จะรับนะ่ยให้มันเข้มแข็ ง, ขงตัวอย่างที่หนึ่งนะท่านยกมาเมื่อคืนตัวอย่างที่สองท่านบอกว่าการที่ความคิดมันเข้าไปแล้วจะให้มันหลุดเนี่ยเราอย่าไปถ้าเราไปดึงเนี่ยไปดึงปิงออกท่านบอกว่ามันไม่ออกมันจะดึงยากไปดึงตรงนี้มันจะเกาะตรงนี้ดึงตรงนี้มันเกาะตรงนี้ท่านบอกว่าให้ไปหายน้ํำยายฉุนมา น้ำยาศุนมาบีบใส่ตรงที่ที่ปิงมันเกาะพอน้ำยายฉุนมันผ่านไปปิ่งมันกับน้ำยาฉุนมันมันมันเป็นปฏิปักษ์กันมันก็จะหลุดไปเองนั้นท่องการท่านอาจารสอนเราว่าเมื่อมีความคิดเข้ามาจับกิจจ์จับใจของเราเนี่ยอย่าไปใช้ความคิดตัดความคิดคืออย่าไปคิดว่าอย่าเอาความคิดนี้ออกได้อย่างไรนึกถึงโอ้เอาความคิดนี้มันเป็นในยังทุกขังหน้าตาเอาความคิดนี้มันไม่เที่ยงนะหละยิ่งคิดมันเจอะยิ่งเข้าไปในความคิดแต่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น เอาความคิดไปตัดความคิดเมื่อความคิดอะไรมากระทบหาเหตุหาผลมาที่จะไปตัดแต่ความจริงท่านบอกมันไม่ได้มันออกไม่ได้มันไม่ใช่วิธีแต่วิธีทําไงท่านบอกมาทําความรู้สึกตัวทันทีกระตุน้นความรู้สึกตัวให้เกิดสติสมาธิปัญญาพอความรู้สึกตัวแรงๆปั๊บเนี่ยความคิดมันก็หลุดเพราะตัวน้ํายายศูนย์เนี่ยมันเหมือนกับสติสมาธิปัญญาที่ลาดลงไปมันก็หลุดอ่า พอเราเขรู้สึกว่าเราคิดปั๊บเนี่ยมากระตุกความรู้สึกตัวลมหายใจก็ได้หรือทําส่วนใดอันนี้หมายของคนที่อยู่ในอารมณ์รูปนามนะต้องทําแบบนี้เมื่อเผลอเข้าไปในความคิดกระตุกความรู้สึกตัวแรงแต่คนที่อยู่ในอารมณ์ปรมัดขั้นประนีละเอียดแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกระตุนะ้นแล้วเพราะอะไรเพราะความรู้สึกตัวกั บ, ก, บ, ก, บกับเวทนาเนี่ยที่เราสัมผัสอยู่เนี่ยมันได้เป็นอันเดียวกันแล้วเหมือนที่เอามาได้กล่าววันก่อนนเหมือนกับไฟมันตกใส่ ผ้าที่ชุมช่มๆ <c oughs> เหมือนแก๊สไฟที่มันตกใส่น้ำํำพอมันตกมาแล้วไม่ต้องไปไล่ดับมันยากมันดับของมันเองแต่คนที่สัมผัสอารมณ์รปรมาไว้เวลามีแรกระทบเนี่ยไม่ต้องไปไล่ความคิดให้มันยากมันดับของมันเองนะดังนั้นในจุดนี้เป็นวิธีการบางอย่างที่หลวงพ่อได้ได้นาํามาสอนบางทีมันเป็นคําพูดไม่ได้ท่านก็ใช้วิธีการเอาอุปมามาบอกเรา แล้วที่สาคัญที่สุดก็คือว่าเมื่ออารมณ์มากระทบถ้าเราไม่พอใจเนี่ยมันจะติดแน่นอยู่ในในจิตในใจของเรามันจะคิดถ้าเป็นคำพูดไม่ดีไม่พอใจเนี่ยมันจะติดในใจของเรามันออกไม่ได้ท่านก็ไม่รู้จะเอาคำพูดตรงไหนมาที่บาบใช่ไท่านก็ไปควายอะไรเห็นไหมถ้าขนหนูเน่ยถ้าเช็ตัวข้างๆข้าคุณชูพลเนี่ยท่านก็ไปรัดคอรัดให้ดูแลวมันตึงไปยังไง มันแน่นติดคอแต่ความคิดที่เมืออกันความคิดที่ไปเป็นโทสะหรือแม้แต่ความคิดที่เป็นราค้าด้วยเมืออกันมันติดขึ้นมาตึบในใจมันมันออกไม่ได้ทําไงก็เพียงแต่รือออกเท่านั้นเองนะมันมาทางไหนก็ออกทางนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างและตัวอย่างที่สามที่ทั้งสองท่านทั้งอุบาสิกาชาวสิงคโปร์แล้วก็คุณสุพลก็คือออกมาจากความคิด แล้วโลกของความที่มันไม่มีเป็นอิสระเนี่ยมันเหมือนกับโลกนี้แล้วทําไมเราถึงพอใจขังตัวเองอยู่ในห้องแคบๆคนไม่ฉลาดเท่านั้นที่จะว่าไปภาษาสุภาพคนไม่ฉลาดเท่านั้นที่จะขังตัวเองอยู่ในห้องแคบๆทั้งทัท้งดิโลกกว้างมหาสารแต่ทำไมไม่ออกมาความรู้สึกตัวเนี่ยกับความคิดความคิดเหมือนห้องห้องหนึ่งที่เราเข้าไปอยู่แต่ความรู้สึกตัวมันเหมือนกับ บรรยากาศนองห้องมันกว้างขวางกันขนาดไห น, นแต่ทําไมคนที่ชอบเขาอยู่ในความคิดเพราะมันอยู่ด้วยความเคยชินเข้าไปอยู่ตรงนั้นนั่นความคิดตรงนั้นห้องตรงนั้นขามตรงนั้นเขาเรียกอัตตาเพร อ, ออกมาจากคาําว่าอัตตาตรงนั้นมันสั่งสมไว้หมดนะเก็บไว้หมดตั้งแต่วงจรของปฏิจจสมบัตา ท, ทั้งหมดตั้งแต่อวิชชาก็ให้เกิดสังขารสังขารก่อใเกิดปิญญาวิญญาณก่อใเกิดนํามรูปไปจนถึงชารามราณาโสกะ รวมกันทั้งหมดเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์รวมคําเดียวว่าอัตตาอัตตาสำคัญมั่นหมายว่ามันมีจริงแต่พอเราออกมาจากไอความคิดของเราได้อนาตาก็ปรากฏนะอนตตาปรากฏแต่ว่าเราไม่ใช้อนตตาเราใช้คาว่าปัญญาปัญญาก็ปรากฏธรรมะก็ปรากฏปรากฏตรงที่ว่าจิตมันออกมานะดังนั้นเองตัว อุปมาหรือว่าตัวอย่างที่ท่านสอบอารมณ์ให้เห็นเนี่ยบางครั้งตัวอย่างที่ทำเนี่ยจะสื่อให้เข้าใจความหมายได้ไวกว่าการใช้คำพูดบางทีคำพูดสื่อไม่เป็ น, นบางทีก็สับสนนะก็สับสนเพราะนั้นในในวิธีการอันนี้จึงมั่นใจว่าเวลาเราไปทำเนี่ยให้ทำแบบสบายไม่ต้องกดต้องเกรงต้องเพง่งต้องจ้องต้องบีบที่จะให้มันเป็นเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่คอย อ่าสกิดให้ให้จิตกลับมาอยู่กับตัวเองบ่อยๆเท่านั้นเองเพื่ออะไรเพื่อที่ให้จิตมันไม่หลงไปกับความคิดและอารมณ์อเมื่อไรรู้สึกว่าตัวเองมันไม่คิดอะไรไม่ปรุงแต่งอะไรก็เข้าใจว่าเออนี่ความรู้สึกตัวก็ให้รู้อยู่กับตัวนี้ชัดๆให้เข้าใจว่าเออตัวนี้แหละเป็นภาวะของตัวสติสมาธิปัญญาทํางานแล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าเอาไม่ค่อยเชื่อมั่นความรู้สึกธรรมดา น, นี้เพราะอะไรเพราะยังไม่เกิดปัญญาคือยังไม่เห็นน่ะ ว่าไอความรู้สึกตัวนี้มันจะมีประโยชน์อะไรฮะความจริงความสบายความปกติความว่างความอะไรที่เขาว่ากันเนี่ยมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาไม่ต้องไปหาเลยแต่เราจะรู้จักมันไหมัวนี้เราถึงมาสร้างตัวสติเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเห็นอ๋อมันมีอยู่แล้วนี่แเราไปวิ่งหามาทําไมอ่ะฮะแต่การที่จะมาเห็นอย่างนี้ได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะอะไร เพราะเรามันหลงเข้าไปในความคิดบ่อยมันก็เล ย, ยการที่จะมารู้ตัวนี้นานๆมันเลยเป็นไปได้ยากเพราะเราก็ต้องมาสร้างตัวความรู้สึกตัวเพื่อไม่ให้ความหลงเข้ามาทำหน้าที่นะดังนั้นบางคนก็ว่าเอ๊ะทาไมต้องทำเยอะเหลือเกินเดินก็นานมาเอเคยเจอปัญหากับตัวเองสมัยอยู่วัดสนามในเดินทังวัน ที่กรรมฐานแบบอื่นเนี่ยเรานั่งแค่ชั่วโมงสองชัมมง่วโมงเราก็พักแลใช่ไหมไปทำเรื่องอื่นนั่งสามชั่วโมงเดินสามชั่วโมงพอจบแล้วก็อไปทําเรื่องอื่นก็จะมาตั้งทําอีกหนึน่งกนุนในเวลาต่อไปแต่นี่เดินทั้งวันสร้างจังหวะทั้งวันออกมาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรกันเราทําทํามาเยอะแยะก็ไปถามหลวงพ่อให้หลวงพ่อทําไมทําตลอดอ่ะมันวเมื่อไหร่ันจะหยุดหลวงพ่อเราบอกว่านี่ เวลาขโมยมันจะเข้าบ้านเราเนี่ยมันบอกเราไหมว่ามันจะเข้าเวลานั้นเวลานี้ก็ไม่บอกอ้าวเราจะรู้มันเข้าเวลาไหนนั้นะนะการที่เราทำเนี่ยเพื่อเตรียมเหมือนกับยามท่านว่านะสติสมัยัตที่เราทำเหมือนกับยามถ้าเยอะถ้าหากว่าขโมยหรือคนที่เป็นมิจฉาชีพมันมาเห็นยามยืนอยู่เนี่ยนะมันไม่กล้าเข้ามาแต่ถ้ามีไม่มียามมันก็เข้าเพราะสติที่เราทาอยู่เนี่ย ทำเหมือนยามแต่ถ้ายามคนนั้นมันมันมันไม่รับผิดชอบนะมันแอบหลับบ้างมันเล่นไปบ้างเนี่ยขโมยก็เข้าเหมือนกันฉันใดก็ดีการที่ทต้องทำตลอดเวลาเนี่ยเพื่อให้สติเนี่ยเป็นยามที่ซื่อสัตย์เพราะเราหลงที่ไม่ไม่เฝ้าดูตัวนี้มานานแล้วไอ้ทรัพย์สมบัติเราก็ถูกปล้นไปหมดนะก็คือมรรคผลนิพพานของเรามันก็ถูก นะตัวขโมยคือความคิดแย่งไปหมดความคิดเหมือนขโมยความคิดปรุงแต่งมันเหมือนขโมยสติความรู้สึกตัวที่เราทำหนึ่งเหมือนยามมันมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันต้องมีอย่างนั้นนะอันนี้ส่วนหนึ่งที่ที่ถามหลวงพ่อหลวงพ่อท่านตอบแบบนี้ว่าเมืนเหมือนยามเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ทำตลอดเวลาถ้าเรารู้สึกตัวเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ต้องทาก็ได้นะ แต่ว่าความรู้สึกตัวของเรามันยังไม่เป็นอัตโนมัติมันยังไม่เป็นวลามัตต้องกระตุ้นทําเรื่อยๆอคุณจะทําอะไรก็ตามจะเก็บผักหักฟืนจะซักผ้าให้รู้สึกตัวชัดๆไม่ใช่ว่าไปบ้านก็ไปดังทําตลอดไม่ใช่ทํางานใดๆก็ตามให้รู้สึกตัวชัดๆเพียงแต่ให้รู้คอยสังเกตว่าความคิดมันไม่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยังไงทำงานอันนี้ยังไม่เสร็จจิตไปคิดถึงเรื่องนั้นต่ออ่า ทั้งทั้งที่หน้าที่ของเราคือตรงนี้มือรู้สึกตรงนี้กายหรือถามอะไรตรงนี้แต่ใจมันไม่อยู่ตรงนี้ใจมันไปแอบไปสร้างความคิดที่สองที่สามที่สี่ไอ้ตรงนี้มันก็เลยลืมลักษณะที่เราเข้าไปในความคิดแล้วลืมตรงนี้เขาเรียกว่าอาวิชชาลืมตัวนะ <c oughs> อันนี้ตัวอย่างที่อันหนึ่งที่มาเคยเคยถามท่านนะอีกอันหนึ่งที่อยากจะนำมาเสนอตรงนี้ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นส่วนที่มาเคยพบเอง ก็คือว่าในปีพศจำได้ปปศ2 5 2 5ประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นมาติดอารมณ์วิปัสสนูอยู่นะไปสอนหนังสือไปอบรมญาติโยงอยู่ภาคใต้ทีนี้เมื่อมันติดหนักเข้าหนักเข้าแล้วขึ้นมาหาหลวงพอ่อตอนนั้นหลวงพ่ออยู่ที่ป่าพุทธยาณป่าพุทธยาน ก็ที่พระเปาภิญญาณอบรมทุกปีออกครนษาแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็เจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างสิบห้าวันบ้างหลังจากอบรมค้นนั้นแล้วท่านก็จะส่งพระไปตามหมู่บ้านตำบลต่างๆมาตมาก็ไปร่วมงานด้วยหน้าหนาวหนาวมากเดินพิจิกาเนี่ยพิจิกาหรือธันวาประมาณนั้นน่ยก็ปรากฏว่างานนั้นมาลงทวัตช้าวันหนึ่งตอนทวัตชามาไม่ได้ลงไปมันหนาวมากก็เดินอยู่บนกุติ เดินจงกรมอยู่บนกุติป ร, กรากฏว่าเช้าวันนั้นเทศเรื่องหนึ่งที่ที่มาจําได้ชัดว่าความคิดมันความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันหลุดท่านเทศพูดถึงเรื่องว่าท่านอุบรมมาไปหลายอย่างแต่ ท, ที่ที่มันมากระทบจิตจะมาแล้วเกิดความคิดตรงนี้มันหลุดก็คือท่านท่านพูดถึงเรื่องความคิดกับความรู้สึกตัวนี่แหละ ท่านบอกว่าความคิดเนี่ยมันเหมือนกับมันมีเรื่องว่าสมัยปฐมบรมกับนู่นน่ะ ส, er. สัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีหัวหน้ามีกลุ่มของตัวเองอ่าทีนี้ในว น, นาหัวหน้าสัตว์ทั้งหลายก็จะต้องมีสัตว์ที่เป็นอ่าเหมือนกับพระราชาของสัตว์เนี่ยขึ้นมา น, นอกจากมีผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรของสัตว์นี่นยทีนี้พระราชาของสัตว์ทีนี้สัตว์ทั้งหลายว่าจะเลือกใครเป็นเป็นพระราชาเป็นผู้นําทั้งหมดที่สั่งการได้ทั้งหมดอ่ะ จะควรจะเลือกควรจะเลือกสัตว์ประเภทไหนตกลงสัตว์ทั้งหลายเลือกราชาสีเป็นเป็นพญาสัตว์แต่ราชาสีมีข้อแม้ว่าถ้าเลือกข้าพเจ้าเป็นผู้นําทั้งหมดแล้วเนี่ยมีข้อแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ทําหน้าที่อย่างอื่นนะไม่ต้องไปออกล่าหากินเหมือนเมื่อก่อนท่านทั้งหลายจะต้องมาให้เรากินวันละตัวเพราะท่านทั้งหลายมีเยอะแยะไปหมดให้มามาม า, ม า, มาให้เรากินวันละตัวก็สัตว์ทั้งหลายก็ตกลงกัน ก็ผัดเวรกันเออวันนี้เป็นหน้าที่ของสัตว์ตัวนี้วันนี้เป็นหน้าที่สัตว์ไปวันละตัววันละตัวให้ราชสีกินแต่ไม่มีอยู่วันหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของกระต่ายที่จะต้องไปตายให้อ่าไปให้กับราชสีกินแต่บังเอิญเป็นหน้าที่ของกระต่ายตัวหนึ่งมันยังมันออกลูกใหม่เขาเรียกกระต่ายแม่ลูกอ่อนกระต่ายแม่ลูกอ่อนนี้มันก็ไม่ยอมไปเพราะว่ามันรักลูกของมันมันก็เลยไปขอร้องกระต่ายตัวนั้นตัวนี้ไปตายแทนมาหน่อยแล้วใครจะไปอ่ะ ในที่สุดมันก็ไปหาหัวหน้ากระต่ายเป็นกระต่ายเท่าบอกว่าท่านหัวหน้าเนี่ยฉันออกลูกใหม่เนี่ยฉันต้องดูแลลูกให้ให้โตซะก่อนไปหาคนหรือใครก็ตามไปแทนท่านทีเถอะหัวหน้ากระต่ายหาใครก็ไม่ไปเอางั้นฉันไปเองเพราะฉันเป็นหัวหน้าจะนต้องรับผิดชอบก็ไปทีนีน้ระยะทางจากที่กระต่ายอยู่ก็ไปหาราชสีมันไกลพสอสมควรระยะทางมันเดินผ่านภูเขาห่า น, านทาง ทีนี้ขณะที่เดินผ่านไปมันมีเขาสองเขาเคียงกันอยู่นี้ท่านว่านะเขาด้านนี้มันสูงกว่าเป็นหน้าผาเขาด้านนี้มันเตี้ยกว่าแต่กระต่ายตัวนี้ก็เดินผ่านสันเขาตัวนี้ไปปรากฏว่าช่วงนั้นมันเป็นคือเวลาที่นัดกันว่าต้องไปให้ใจกินประมาณสิบเอ็ดโมงทุกวันมันก็เหมือนพระองค์กันนะสิบเอ็ดมงต้องไปให้มันกินแต่กระต่ายตัวนี้พอถึงสิบเอดโมงมันก็ไม่ไปมันเลทไปประมาณสักสิบเอ็ดมงครึ่ง ทีนี้พอสิเป็มืขึ้นตะวันมือขึ้นสูงงนี้ใช่ไหมพอกระจายผ่านมิปรากฏว่ากระจายตัวตัวท่อตัวนี้มันเห็นเงาปรากฏหน้าผาไปเห็นเงาพอเห็นเงาปั๊บมันก็ได้อุบายทันทีเลยออรู้จักวิธีการด้วทีนี้ก็เดินไปถึงจนไปถึงพญยายลักษณ์สีพญาสียายสกำลังเต้นแรงเต้นกายอยู่ว่าทําไมมาสายมาเขาเอมากันตรงเวลาทั้งนั้นมาสายกูจะกินกระต่ายตัวนี้ก็ใจเย็นอ่ะไม่เป็นไร ในกลัวไม่สะุกสถานสัตว์ทั่วไปพอไปเจอบทบาทนี้หรือราชะสีเกลอขนาดนี้แล้วก็ช็อกตายบนดำกันแตก่กระได้ดูที่ตั้งสติตั้งสติดีแล้วก็บอกว่าขอนอบน้อมท่านผู้เป็นใหญ่ขณะที่ข้าพเจ้าเดินทางมาเนี่ยข้าพเจ้าไปเจอราชะสีอีกตัวหนึ่งใหญ่กว่าท่านอีกเขาดักทํางข้าพเจ้าไว้ทําให้ข้าพเจ้ามาสายบางทีข้าพเจา้ามาแต่เช้าเหมือนกันพอไปเจอราชะสีขนาดนี้ข้าเจ้ามาไม่ได้ ที่คนเขาถูกตั้งตัวเองเป็นใหญ่แล้วถ้ารู้ว่ามีใครใหญ่กว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงไอ้ความโกรธที่โกรธไอ้กระต่ายมันหายทันทีเลยมันกลับไปโกรธไอ้ราชสีที่ตัวใหญ่กว่านั่นทันทีนะมันก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์เลยบอกอ้ามันอยู่ที่ไหนพาขึ้นมาดูเดี๋ยวนี้ว่าใครจะมาใหญ่กว่าข้าในป่านี้ว่างั้นอ้าวก็ตามอว่างั้นตามข้าพเจ้ามาก็ตามกระต่ายไปกระต่ายก็พาผ่านตรงนั้นน่ยผ่านสันเขาอ่ะพอไปถึงสันเขาตัวนั้น ไอตะวันมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่ไหมเพราะปรากฏอยู่พอไปสันเขา้ไอรูปเงาของไอรัศดร์ีเนี่ยมันไปกระทบกับไอหน้าผาอีกด้านหนึ่งกระต่ายก็ชี้ทันทีนะเห็นไหมโตดูกว่าท่านอีะที่หน้าผาน่ะฤาษีก็ไม่ทันคิดไปไงกระโจนลงเลยกระโจนไปหาไอรัศดรศรีโดนนั่นอ่ะเป็นไงผลตกว่าราศสรศรีเนี่ยก็ตกหน้าผาตายนี่คือวิธีฆ่าเอามาก็ S <S <S แล้วก็ท่านสรุปนูนว่ากระต่ายเท่าเนี่ยมันคือปัญญาว่างั้นนะอ่าคือปัญญาแล้วราชสีเนี่ยคือกิเลสในการจะฆ่ากิเลสได้เนี่ยมันจะไปบีบไปขั้นไปกดไปบีบไม่ได้ต้องใช้ปัญญาเ่รางั้นทีนี้จะทำยังไงท่านก็บอกว่าเมื่อเดินไปหน้าผาเงามันปรกักฏดทันใดก็ดีตัวรู้สึกตัวท่านสรุปทัน ท, ทีนะ ตัวรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนตัวเรานี่เป็นกระต่ายเนี่ยนะ <ock Nearly S 1> ตัวตัวอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยเหมือนเหมือนตัวกระต่ายแต่ตัวรู้สึกตัวมันแสงพระอาทิตย์ที่มันฉายมาทางทั้งด้านตะวันออกสติสมรีปัญญาเหมือนแกแสงพระอาทิตย์ที่ฉายมาทั้งด้านบอกและตัวอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยเหมือนกับตัวกระต่ายด้วยตัวถ้าเฉลสีที่เดินผ่านตรงนั้นเมื่อความอารมณ์ที่มากระทบกับไอความรู้สึกตัว ถ้ามันไม่ตรงกันนะมันไม่ตรงกันเพราะมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ตรงกันมันก็จะเกิดเงาอีกด้านหนึ่งไอ้เงาตัวนี้คือตัวคิดว่างั้นตัวความคิดอันนี้การที่เรากระโจนเข้าไปในความคิดนั่นมันก็จะตกหน้าผ่าตายเหมือนราชีตัวนั้นแหละท่านสรุปตรงนี้นะพราะนักคนเป็นทุกข์เพราะมันเข้าไปในหลงเงาความคิดว่างั้นความคิดคือเงาเงาของอารมณ์นี่เองแต่เราไม่ไม่มีสติไอ้ตัวนั้นมาทําให้เกิดเงา สรุปตรงนี้เอามาก็พักใส่ตัวเองเขาดีเลยนะโอ้โหโดนกูแล้วนี่นะเราเข้าไปในความคิดจนเป็นวิปัสนูจะเป็นจะตายอยู่เนี่ยกระโดดเข้าไปในความคิดจะถูกหน้าผาตายอ่าตัวอย่างที่สองอีกตัวอย่างนั้นก็เจ็บพอแล้วนะตัวอย่างที่สองได้ยกมาบอกว่าเนี่ยมีสองพ่อลูกไปหาฟืนด้วยกันในป่ามาขายเป็นอาชีพ พอได้ฟืนเสร็จแล้วนี่พ่อก็รู้สึกโอ้เหนื่อยบอกลูกบอานี่ถ้าหากว่าพ่อขณะที่พ่อนอนพักเนี่ยผมไปไม่ไหวขอพักสักพักหนึ่งก่อนก็อเอาหัวหนุนกองฟืนแต่ว่าก่อนที่จะหลับไปบอกว่านี่ถ้ามดมาไต่ไรมาตอมหรือแมงวนันมาตอ ม, ม, ตอมที่นั่นมันอับปานมันอาจจะมีมดแมงวนันมีพึ่งมากนะน่ะตอมบอกว่าได้ไล่ให้หน่อยนะลูกเออโอเคพ่อก่อนพ่อก่อนนอนสักพักก็หลับไป ตอนคนในขณะพ่อหลับไปสักพักมันมีเหลือบตัวใหญ่ใช่ไหมก็มาต่อเอามามาบินวนอยู่ที่ที่หน้าพ่อทีนี้พอเราลูกมันเห็นเหลือบปั๊บมันก็เลยแทนที่มันจะตกหรือจะปัดใช่ไหมมันก็มโมโหทันทีเลยโอ้ยนี่พ่อกูหลับ ม, โ ม, โมัวตอมุดอะไก็เลยยกไอ้ขวานที่ไปสับฟืนเน่ยเออนึกภาพดูมาสับฟืนที่จะมาไล่ไอ้เหลือบตัวนั้นทีนี้ไอ้เหลือบตัวนั้นมันมาเกาะหน้าผากทันทีใช่ไหม พอก่อป้อมไอ้ลูกมันก็ขวานใสเข้าไปเตรียมที่เลยนะคิด ท, ที่จะฆ่าเหลือบตัวนั้นที่ไหนได้พ่อหัวแบะเลยนะบอกว่าฉันใดก็ดีเราทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นยองฟังออกไหเนี่ยตัวอย่างที่สองเนี่ยบอกว่าตัวที่พ่อที่นอนหลับเนี่ยเหมือนจิตของเราเน่มันหลับแล้วก็ความคิดเข้ามา มันเหมือนกับมแมลงมันเข้ามาตอมเราไอการที่จะไปจัดการกับความคิดตัวนั้นน่ะถ้าไปใช้อารมณ์ไม่ได้ต้องใช้ปัญญานะหมายค้าว่ามืม ค, ความคิดเข้ามาปั๊บเนี่ยไปบีบไปคั้นนึกถึงสมถะา ท, าทันทีสมถานี่จะพยายามบังคับจิตไม่ให้ไปรับอารมณ์อะไรเมื่ออารมณ์อะไรเข้ามาต้องบังคับให้มันออกให้ได้ใช้ความรุนแรงสมถานี่ยใช้ความรุนแรงใช้ ก, มออกดมันออกบีบมันออกไม่ให้เข้ามาบอกไม่ได้ ต้องใช้วิปัสสนาปัญญาคือค่อยปัดค่อยไล่ค่อยไล่ไปคนที่ปฏิบัติก็เหมือนกันเพียงที่จะแก้ความคิดที่เพลียงเพียงเงาเนี่ยแต่ใช้ความรุนแรงกับมันมันถึงทุกข์ท่านว่าเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาคือใช้สติปัญญาเข้าไปดูแลแก้ไขอันไหนมันหนักของคิดไหนมันหนักมันเบามันมาไต่มาตรมันเข้ามาในใจเราก็ใช้อุบายที่จะค่อยไล่ค่อยปัดมันไปไม่จําเป็นจะต้องไปบีบไปคั้นไปสะกดตัวเอง ทำร้ายตัวเองอดข้าวอดน้ําทํำพิธีกรมรมอะไรต่างได้บยบเ พ, พบ็ญพศบำเพ็ญตบะ ท, ที่เขาทํากันไม่หลับไม่นอนอดข้าวอดน้ําถือศีลกีนเจต่างๆอันนี้เป็นวิธีการที่ดุริแรงทั้งนั้น<ส>นะเป็นวิธีการนั้นแล้วก็ทํากันมาตลอดใช่ไหมที่บำเ พ, พ็ญพศเข่งๆ อ, อ่ะกักขังตัวเองบีบคั้นตัวเองด้วยวิธีการต่างๆแต่วิธีการที่บุญเจ้าค้นพบเป็นวิธีการที่ง่ายๆเบาๆแต่ต้องบําเพ็ญตัววิปัสสนาปัญญาขึ้นมา พี่ปรัชนาปัญญาจะเกิดได้ไงก็ใช้สตินี่แหละก็จะเจริญสตินี่แหละดังนั้นวันนี้ให้ไปดูว่าใครจะหลงเงาตัวเองบ้างนะเงาเนี่ยปรากฏตลอดมันมาด้วยกันความความรู้กับความคิดเนี่ยมันมาด้วยกันขณะที่ความคิดมันชัดขณะที่ความรู้สึกตัวมันชัดความคิดมันก็ห่างไปเมื่อไรความรู้สึกตัวไม่ชัดความคิดก็ใกล้เข้ามาไม่ใช่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอด พะหน้าที่ของเราทําความคิดให้ชัดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปตั้งใจทําให้มันเต็มที่ไม่ใช่ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดๆเท่านั้นเองทบทวนอยู่เสมอเสมอแต่้งแต่หูจนเท้าเนี่ยที่คือตัวอย่างนึงพอเจองานนี้เข้ามาก็าเราหูโดนสองลูกเนี่หนักเลยนะก็มากลับมาหาตัวเองมากขึ้นก็เลยหาวิธีทําความรู้สึกตัวให้มากขึ้นซึ่ง ในคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยท่านจะไม่ใช้ภาษาปริยัติถึงใช้ภาษาปริยัติท่านก็ดึงเข้ามาเพื่อประกอบให้เห็นนะบางทีท่านก็ใช้แบบว่าไม่ตรงนะนะแต่ท่านจะใช้ภาษาอุ ป, ปมานะหัวามาโดยเฉพาะอุ ป, ปมาที่เรียกว่าเราจดจำกันได้ก็คือแมวกับหนูตัวคิดคือหนูตัวรู้คือแมวนี่แหละนะติดเรียกว่าติดตาติดใจของเราเลยท่านย้าบ่อย แล้วนั้นสิ่งเหล่านี้ามาว่าถึงจะไม่เข้าใจวันนี้แต่ทำความรู้สึกตัวนี้ไปเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันครบมันสมบูรณ์มันก็จะรู้สึกของมันเองแต่เมื่อไราความรู้สึกตัวมันครบมันสมบูรณ์เขาเรียกว่าจิตแล้วมันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งก็คือมาเห็นรูปนามพอเห็นรูปนามนี่หมายถึงว่ารูปนามโดยปัญญานะไม่ใช่รูปนามโดยสัญญา เพราะรูปนามมีสองลักษณะเบื้องต้นเนี่ยต้องใช้รูปนามโดยสัญญาก่อนคือคอยระลึกคอยระลึกอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นกายเป็นใจต่อทาความเพียนไปทําความรู้สึกตัวไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าตัวสัญญาความจาว่าอันนี้เป็นรูปเป็นนามอันนี้เป็นความรู้สึกอันนี้เป็นความคิดเนี่ยมันก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวที่มันเป็นเองแต่ความรู้สึกตัวที่มันค่อยเป็นเองรู้ได้เองเข้าสัมผัสได้เองเนี่ยโดยที่ไม่ต้องกระตุ้นมาก มันรู้สึกตัวทีเองโดยอาศัยกายการกระทําทางกายในส่วนที่หยาบหยาบการเคลื่อนไหวของกายอย่าพับต า, าปากให้ใช่เหลวซ้ายเลยขวาหยิบหยับจักช่วยก้มเงยอะไรพวกนี้ให้พยายามเล้อลุกลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในส่วนของกายในกายเนี่ยในล ะ, ละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเวทนาะเช่นเรานังน่งนานๆนี่เป็นไงเวทนาหยาบหรือละเอียดถ้าเวลาละเอียดคือเปลี่ยนไปปั๊บมันสบายมันกละเอียด เวทนาหยาบก็หายไปก็ให้ดูตัวนี้ด้วยประกอบกันไปถ้าหากว่าสติสัมยาเข้ามามากขึ้นมันก็จะเห็นลึกละเอียดลงไปจากเห็นกายหยาบหยาบก็ไปเห็นความรู้สึกทั้งที่มันปวดมากปวดน้อยรู้อยากจะให้มันชัดยิ่งกว่านั้นอีกเวลาเราเปลี่ยนปริยบดแต่ละครั้งนะให้เห็นการที่มันหายไปอย่างไรพอเปลี่ยนปริยบดใหม่ความรู้สึกที่เป็นเวทนามันเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ลําดับดูตรงนี้ให้ชัดๆ ตัวนี้ที่มาเพิ่มเมื่อวานนะนะมาให้เห็นเวทนาให้ชัดนะแล้ว ก, การเคลื่อนไหวถ้าหากว่ายังดูเวทนายังไม่ชัดกลับไปดูการเคลื่อนไหวใหม่นะดูกายเวทนาแค่เข้าใจก า, กายกับเวทนาเนี่ยรูปนามก็ปรากฏชัดละถ้าทำต่อเนื่องนะนั้นปัญหาของเราก็คือการรู้ไม่ต่อเนื่องรูปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ไปสนใจเรื่องอื่นอ้าว ไอ้ที่รู้เมื่นกี้หายไปเริ่มต้นใหม่อันนี้เป็นธรรมดาของคนทุกคนเพราะคนใหญ่อะไรดีๆเนี่ยมักจะทำสักพักหนึ่งอ่ะพอเผอเอาไปทำเรื่องเดิมของตัวเองคือคิดนั่แหละนะนั้นข้อสำคัญก็คือความรู้สึกตัวที่ว่ามันชัดมันสบายเนี่ยดูให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแต่ว่ามันหายไปมันตกไปมันลืมไปตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เสมอนะ่ะ มันรู้อ่ะเดี๋วมันหลงตั้งต้นรู้ใหม donuts, ่ถ้ามันหลงไปตั้งต้นรู้ใหม่เลื่อยไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันหลงเรารู้หลงเรารู้หลงเรารู้อย่างนี้ความหลงกับความรู้มันมาเสมอกันนะมันมาเสมอกันก็เหมือนพมันมันเป็นเป็นกําลังนะที่ที่ได้กล่าวไปวันมันเป็นกําลังหลงกับรู้มันเป็นกําลังเหมือนขั้วบวกกับขั้วขั้รพมันกําลังให้เกิดปัญญาถ้ารู้อย่างเดียวตลอดมันก็เป็นสมถะ ถล óng อย่างเดียวตลอดมันก็เป็นกิเลสไปแต่ทั้งรู้ทั้งหลงสมดุลกันเนี่นะรู้บางหลงบางรู้บางหลงบางรู้เท่าไรจนกระทั่งไอ้ตัวรู้ตัวหลงบมันกลายเป็นตัวรู้สึกตัวของมันล้วนๆช่วงแรกที่เป็นอารมณ์รูปนามเนี่ยมันตั้งรู้หลงหลงสลับกันไปเรื่อยๆแต่เมื่อไรถ้ามันเป็นปรมัตแล้วมันก็ไม่หลงละอ่ะมันมีตัวรู้สึกตัวล้วนๆที่ไม่ใช่ถ้าตัวรู้ที่เราไปบังคับให้มันรู้เนี่ยตัวนี้เป็นสมถะ แต่กระตุ้นให้มันรู้ยังเป็นสมถะอยู่นะแต่เมื่อไหร่ตัวรู้สึกตัวที่มันเป็นเองโดยที่ไม่ต้องไปกระตุน้นไม่ต้องไปบังคับให้มันเป็นตรงเนี้มันเป็นวิปัสนาปัญญาเป็นปรมัตารละมันมีเท่านี้นะมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยสัมผัสได้เลยแต่ทีน่นี้ต้องไปตรวจสอบว่าศรัทธาและปัญญาของเราที่จะทําเรื่องนี้ให้มันชัดเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่ศรัทธาและศรัทธาและปัญญาของเรา มันไม่ชัดตรงนี้และศรัทธาและปัญญาของเราเกิดจากอะไรเกิดจากสองอค์ประกอบที่พูดมาเมื่อวานศรัทธาเกิดจากส่วนหนึ่งเกิดจากกัลยาณมิตรปัญญาเกิดจากที่เรามีโยนิโสมนสิการคือมีความละเอียดถี่ถ้วนในการสังเกตกายสังเกตจิตไปเรื่อยๆถ้าหากคอยสังเกตอย่างนี้เรื่อยๆไปจิตของเราเนี่ยมันมันแทบจะไม่ปรุงแต่งอะไรเลยนะเพราะอะไรเพราะเราไม่อยู่ความรู้สึกตัวที่มันเป็นเอง ตราบใดที่ความรู้สึกตัวที่เรากระตุ้นให้มันรู้อยู่เนี่ยเรายังหยุดไม่ได้กําหนดรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งความรู้สึกตัวที่มันเป็นเองปรากฏตรงนั้น่ะเราค่อยเบาสบายหน่อยแต่ว่าความรู้สึกตัวที่เป็นเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งหมดนะมันจะไต่ขึ้นไปตามระเบิดความรู้สึกตัวที่เป็นปรมัตระดับต้นระดับกลางระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นการเกิดดับของจิตได้นะ เราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมติดตามขบวนการของความรู้ที่เกิดได้ไม่ใช่อลับตามาพูดกันแต่ว่ามันเป็นการตรวจสอบเห็นได้วยตัวเองเป็นสันทิฏฐิโกนะถ้าหากว่าทําแล้วมันไม่เป็นมาตรวจสอบศรัทธาและความเพียรเราถูกต้องไหมศรัทธาความเพียเราเข้มแข็งไหมนะแต่ถ้าเมื่อใดถ้ามันเป็นเองนะมันเป็นปรมาทิแล้วเนี่ยศรัทธาเราก็เป็น อจจะท่าศรัทธามั่นคงแล้วไม่ต้องมีศรัทธาแล้วทีเนี้เพราะศรัทธานั้นถูกแปลงเป็นปัญญาอ่าถูกแปลงเป็นญาจากนั้นเราก็ให้สบายขึ้นนะดังนั้นทุกคนรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องไปคิดลวงนาทําทตรงนี้เรื่อยเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่านั่งสร้างจังหวะเดินจุกงนี้ทั้งวันทั้งคืนนะหมายเขาว่าจะทําอะไรก็ตาม กิจกรรมประจำวันที่เราจะต้องคิดต้องทำต้องประกอบการงานอาชีพมันมีเยอะกว่าอย่างนี้หลายหมืน่นหลายแสนเท่านักแค่เราจะลุกไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยถ้าเราตามดูมันตลอดเนี่ยมันก็มีตั้งเยอะแยะแล้วแค่เราจะซักผ้าคิดจะไปทำอะไรที่เริ่มรู้สึกตัวตั้งแต่การทำไปเนี่ยซึ่งอาจายมาเองเคยเคยเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อรูปนา อยังไม่มั่นคงมันก็จะทําอะไรต้องกระตุ้นความรู้สึกตัวเฉยเหมือนถึงจะรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวมันก็เข้าไปในความคิดวันหนึ่งเอามาอยากจะไปไปทำความสะอาดกุฏินะทีนี้กุฏิมันก็กว้างพอทําสะอาดเสร็จทุกทุกครั้งที่ทําก็คือมันก็เหนื่อยทั้งกวาดทั้งเช็ดกูจะเสร็จก็เหนื่อยทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเออเราทําทุกวันเนี่ยมันก็เหนื่อยเงาออกกูจะเสร็จทีนี้เราทำโดยมันไม่เหนื่อยเหงอไม่ออกเนี่ย จะทำยังไงตอนนั้นเริ่มจเจริญสติแล้วก็เอาใหม่ว่าตอนนี้ทำใจใหม่ว่าเออเราไม่ได้ทำใจว่าเราไปเช็ดกุฏิหรือไปทาความสัต์ทำใจว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราจ ะ, จะเจริญสติเริ่มต้นตั้งแต่เราลุกไปรู้สึกตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินไปหาไม่กวาดอยู่ตรงไหนรู้สึกตัวเดินเดินแล้วก็แต่ไม่ใช่ทำช้าช้าแบบแบบที่เขาทำมานะคือจาปกตินี่จแบบให้รู้สึกตัวพอจำไม่กอดแล้วก็ค่อยตามดู การเคลื่อนการกวาดไปกวาดไปกวาดไปพอเมื่อกวาดเสร็จตามดูต่อไปว่าเราจะไปหาอะไรก่อนตั้งสตินิดหนึ่งออกไปหาผ้าคีิลิ่วก็กําหนดความรู้สึกตัวเดินไปหาผ้าคีิลิ้วได้ผ้าคีิลิ้วทําไงไปหาตุ่มน้ําไปหากลอกน้ํากลอกน้ําอยู่ไหนตุ่มน้ํากำหนดก่อนที่ละจุดละจุดไปพอเสร็จแล้วชุ่มแล้วบิดทําไงก็บิดซักแล้วก็บิดบิดแล้วลงตัวลงมือเช็ดรู้สึกตัว ทุกณะกนะปรากฏว่าวันนั้นทำความสตราดกุฏิเสร็จเหมือนน่าไม่ได้ทำเลยมีความรู้สึกตัวทุพร้อมต่มันเบาสบายขึ้นมา ท, ทันทีเหตุการณ์ณตรงนั้นะเลยกลายเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงของอาตมามาตลอดจะลงมือทำอะไรก็ตามอ้อตรงนี้เองแล้วชาวบ้านกิจกรรมแบบนี้วันวันมันมีตั้งกี่อย่างหลายสิบอย่างใช่ไ ห, หลายสิบเหตุการณ์ และแต่ละเหตุการณ์ถ้าหาเราใส่ความรู้สึกลงไปสักครึ่งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นการรู้ธรรมะแบบนี้ญาติโยมจึงรู้ได้ไวเพราะอะไรสําหรับคนเข้าใจนะคือเอาเหตุการณ์การงานในชีวิตจริงนี่แหละเป็นตัวปฏิบัติธรรมอ่าแล้วก็มันไม่ต้องไปนั่งคิดมาเมื่อไหร่จะมีเวลาว่างไปนั่งสร้างยังวะเมื่อไหร่จะมีเวลาว่า ง, ง, ส, ง, ง, าาางสักเจ็ดวันไปเข้าคอร์สที่เราคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าเรายังจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแบบนี้ยังไม่ชัดเจน เพื่อจะไปจุดประกายไปให้เกิดกำลังใจไปฟังครูบาอาจารย์เกิดกำลังใจเกิดความเชื่อมัน่นเกิดความเข้าใจแล้วเอาไปฝึกฝนว่าวิธีการอันนี้มันไม่ยากแต่เพียงแต่ว่าต้องมีศรัทธาและต้องเกิดปัญญาเข้าใจได้ว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้ในวันนี้เพื่อที่การจัดงานครั้งนี้ได้สมบูรณ์ทั้งสองแบบเดินจงกรม ก็คือการที่เราไปธรรมยาตราทั้งพวกคุณเจ้าก็ไปไปไปเดินกันจริงๆบางคนก็เริ่มได้ลูกได้นามแล้วงั้นนะที่ไปเดินจุกมมที่นี่เราก็เหมือนกันเรามานี่มานั่งสร้างจังหวันะก็นั่งสร้างจริ ง, รงๆเดินจุกมมน้อยๆแต่พอเขาเดินกันทั้งนูน้นทั้งวันนะหกสิกิโลเนี่ยแต่ตรงนี้เรามานั่งปฏิบัติดูทีนี้ในอีดีบทนั่งเนี่ยมันก็มีบทเยอะเยอะแยะตา ท, ที่ได้กล่าวไปก็อยากจะให้ ติดตามเฝ้าดูโดยทีทวนเต็มความสามารถของเราแต่ทำให้มันถูกทำให้มันสบายทำให้มันผ่อนคลายนะเพราะความสบายมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราจะไปเอาจริงเอาจังบีบคั้นที่จะเอาให้รู้สึกเนี่ยมันเป็นการรุนแรงเหมือนกับเราจะฆ่าเลือสักตัวหนึ่งใช้ขวานขนาดใหญ่แทนที่เลือมันจะตายใจของเราก็จะตายนัย่นแหละทีบีบตัวเองน ะ, ะแทนที่เราจะ ่ด <S US S 1> well ูความรู nee ้สึกตัวเองเข้าไปในเงากระโจนใส่เงาตกหิวตายเหมือนกันนะคือกระโจนเข้าไปในในความคิดอ่ะมีอะไรกระทบปั๊บกระโดดเข้าไปคิดเลยมีอะไรกระทบปั๊บกระโดดเข้าไปคิดเลยดังนั้นเราอย่าเป็นน่าจะสีตัวนั้นแต่มาเป็นแก่ตายเท่าเจ้าปัญญาคือให้ทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะแล้วคนก็จะทําความรู้สึกตัวอย่างนี้ก็สบายปกตินะดังนั้นในงาน วันนี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดหสิบแปดนะสิบแปดนะเราก็ทําเต็มที่ได้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะแต่วันนี้พรุ่งนี้เราจะเก็บอารมณ์เข้มขึ้นเพราะวันที่ยี่สิบเนี่ยมีกิจกรรมทั้งวันเลยช่วงเช้าถึงเพลนช่วงเพทนถึงค่ำยี่สิบเอ็ดอีกครึ่งวันนะแต่เราพยายามที่ให้ผู้เข้าร่วมครั้งนี้ได้ประโยชน์สูงสุดคือได้สัมผัสอย่างน้อยรูปนามอย่างนั้นวันนี้ ผู้ที่ยังไม่ตั้งใจยังเลิกก่อนมาที่หลังอยู่เนี่ยใ ห, ให้ปรับตัวเองหน่อยนะไม่งั้นเสียเวลาทิ้งเฉยๆนี่ยแต่บางคนก็พึ่งมาเออจะางานนี้จะมาสักสามวันงานนี้จะมาสักสองวันอะไรเนี่ยบางคนก็กลับไปแล้วแต่บางคนตั้งใจมาห้าวิเจ็วันเลยนะบางคนมาตั้งแต่วันที่สิบสามจนถึงวันที่นนยี่สิบเอ็นแหละประเภทนี้คนรูดกลุ่มนี้ละจะจะสัมผัสได้นะสำหรับผู้ที่ใหม่นะ แต่สําหรับคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็เป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปนามเกี่ยวกับอารมณ์ปรมาทบทวนให้ชัดเจนขึ้นที่เราไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นที่มันแยกกันไม่ได้มันก็จะแยกกันเห็นชัดขึ้นแต่ความเพียรต้องต่อเนื่องได้ความเพียรแบบส บ, สบายๆเปลี่ยนคือไม่ต้องบีบบังคับตัวเองแต่ให้ทําเพื่ออะไรเพื่อที่ให้ยามของเราให้เข้มแข็งสตินี่เป็นยาม เพื่อที่จะขโ ม, มยจะได้ไม่เข้ามาขโ ม, มยเอาทรัพย์ของเราไม่ขโ ม, มยเอามรคนิพันธ์ของเรามรคนิพันธ์ก็มีอยู่แล้วทุกคนแหละแต่ที่มันอยู่ไม่ได้เพราะขโ ม, มยมันลักไปความคิดมันลักไปั่เองแต่เราก็มาตั้งยามตัวนี้คือตัวสติให้รู้สึกตัวเนี่ยชัดๆจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินให้ตั้งใจรู้ชัดๆเราก็สามารถที่จะ เขาถึงตัวรู้สึกตัวได้ไม่ยากและสบายตลอดชีวิตแม้แต่ญาติโยมอย่างเพ่า อ, อุ่นว่าเมื่อคืนมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันหลุดอะไรมันหลุดความคิดมันหลุดไปเองกระทบแล้วมันหลุดไปเองเนี่ยไม่ใช่หลุดพ้นนะความคิดมากระทบแล้วมันหลุดเมื่อก่อนที่มันกระทบมันไม่หลุดกระทบแล้วเข้าไปเลยกระทบแล้วเข้าไปเลยแต่ต้องเห็นชัดๆแนะ่ดังนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราให้อารมณ์กันวันนี้ เพื่อที่จะนําไปเป็นบทเรียนของวันนี้นะซึ่งก็ที่ทำมาแล้วก็ดีแล้วตั้งใจแต่ว่าให้ตั้งใจขึ้นอีกนิดนึงสําหรับผู้ที่ยังไม่ตั้งใจจะได้ไม่เสียเวลามานะสำหรับพวกหนึ่งก็มีสุขภาพไม่ดีก็เห็นใจนะแต่สำหรับคนที่มีความพร้อมทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตขอให้ตั้งใจก็ขอให้ภาวะสภาวะต่างๆที่เราสัมผัสนี้นะจง เข้มแข็งด้วยสติสมาธิปัญญาสามารถเห็นรู้แจ้งเห็นจริงในจิตในใจของตัวเองโดยการทุกคนทุกท่านถือ